พรธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านะคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เจตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าธรรมและวินยัยนั้นแลคือศาสดาออวันนี้ฉันยังหานเสร็จเรียบร้อยแล้วออท่าน รนที่เป็นหัวหน้าจะพาพระกูบาใหม่ในพรรษานี้นไปกราบคารวะหลวงพ่อภูนาหลาวแล้วก็หลวงพ่อคําสดวัดป่าบ้านเพิ่มแลยตะาขากลับมาจะมาแวะที่วัดป่าภูก้อนก็ได้นะมาแวะวัดป่าภูก้อนทางว่ารถจะขึ้นได้นะทารถ ต้องดูรถท ก, ก่อนนะหัวหน้านะไม่คิดจะไม่ได้จะนิดคิดได้ขึ้นขึ้นไม่ได้นะถ้าขึ้นไปแล้วรถ ล, ลื่นเลยพาลูกน้องไปล้มไปตายน่ยไม่ได้นะหัวหน้ามันต้องรอบคอบถ้ามันเป็นถ้าขึ้นไม่ไหวก็ไม่ต้องขึ้นละหาโอกาสอื่นขึ้นไปถ้าพอจะขึ้นได้ก็ขึ้นแต่หลวงพ่อชาลีไม่อยู่หลวงพ่อชาลีไปจําพรรษา อำเภอพูเรือปีนี้มีแต่หลวงพ่อคำสดกับหลวงพ่อบุญมีภูนาหลาวแต่หลวงพ่อภูบุญมีพูนาหลาวคงจะามาอธิพัทธ์หลวงพ่อตอนบ่ายห้าโมงเย็นแต่คือความพวกท่านทั้งหลายรีบๆไปแล้วนะหลวงพ่อภูนาหลาวหลวงพ่อคำสดมาทั้งสององค์นั่นแหละแต่นีมนท่านนะแต่ท่านจะมาหรือไม่ก็ยังไม่ทราบนะ เราการไปอย่าไปคึกไปขนองนะพระใหม่นะเราไปสาธานักกิจเพื่อไปเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาบวชเข้ามาแล้วการไปกราบคารวะครูบาอาจารย์สัมมาคารวะไปทำวัดไปมุดน้ำรำหัวพิธีกรรมพิธีการเขาทำอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้ เผาหัวหน้าพาขึ้นไปแล้วก็ไปพร้อมกันอย่ไปแตกกระจูกระจายใครจะเข้าห้องน้ําก็รีบเข้าแล้วก็รีบมาแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกันพอพร้อมกันแล้วก็กราบพระผูจารกุบายจารพร้อมกันเองนะไม่ใช่ว่ากราบต่างคนต่างการาบมาลงตรงนังเหมือนกับไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาไม่ดีนะเวลาขึ้นไปต้องรอซะก่อนเพราะนั้นพระต้องขึ้นไปพร้อมกัน พอขึ้นไปพร้อมนั้นนั่งพร้อมกันแล้วก็กรกาบพระอาจารย์ท่านจึงจะได้ยกมือรับพร้อมกันทั้งเป็นหมวดหมู่ไม่ใช่องค์หนึ่งมากะยกมือวับองค์หนึ่งมากะยกมือรับพระทั้ง3 4มสองค์ยกมือรับอยู่นั้นถ้าไม่รับก็ไม่ได้ดผิดถ้ามีพระกราบแล้วไม่สนใจครูบาอาจารย์ไม่สนใจในการกราบไหว้ไม่ได้ผิด ครูบาอาจารย์ผิดเอกเพราะนั้นมันต้องเราผู้ไปกราบเนี่ยก็ต้อง เ, อเป็นต้องกดระเบียบต้องไปพร้อมกันทางอยากไม่พร้อมก็จะพึ่งกราบนั่งคุกเข่าก่อน เ, อเว้นเวทเจ้าองค์นั้นมาช้าเกินไปไปคอยกันได้ยังไงฮ เ, เป็นความผิดขององค์นั้นเพราะนั้นไม่ควรจะมีเมื่อได้ยินแล้วนะไปพร้อมกันขึ้นไปแล้วก็ องหน้นก็องค์หัวหน้าก็นั่งคุกเขา่ารอจากนั้นก็เข้าไปประจำที่เร็วจากนั้นองค์หัวหน้าก็กราบกราบพร้อมกันพอกราบพร้อมกันแล้วเราจะเริ่มพิธีเลยก็ได้ขอเริ่มพิธีก่อนนะครับผมแล้วขอให้ครูบาอาจารย์ให้โอวาทต่อเมื่อภายหลังจากนั้นเราก็เริ่มพิธีเลยว่านโมพร้อมกันจากนั้นก็เทเรปรมาเทนะ พอท่านมีอายุบรรษา30กว่าด้วยกันทั้งองค์สองสององค์แล้วเทเรปมาเทนะทวารแลแตเตเยนะขะตังพูดพร้อมกันจากนั้นก็หมอบกราบลงแล้วก็ท่านก็ให้สินให้พรจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นก็เอากลาบพร้อมกันจากนั้นก็นั่งอยู่ในความสงบจากนันก้นท่านก็จะให้โอวาดท่านจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรเราก็พร้อมที่จะน้อมรับในโอวาทของท่าน เมื่อท่านให้โอวาทเสร็จแล้วเราก็เอาลูกมาก็กราบอีกทั้งนึงกราบลาท่านเลยพอกราบลาท่านแล้วก็ออกมาใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้า เ, เราไม่ใช่ไปธุระอย่างเอิน เ, ออเรารู้จักกับพระในวัดนั้นเป็นเพื่อนกันนุ่นไปนั่งคุยไปสนทนากันถ้าว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อสั่งได้เลยนะหัวหน้าสั่งลุยเลยไม่ต้องรอนะ พอได้เวลาพร้อมเลยแล้ ว, ลวพร้อมเป็นส่วนมากแล้วก็อา้าวออกไปองนั้นจะไปคุยก็ให้คุยอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรไปตามที่หลังนะเดินตามหลังเดินกลับวัดก็ได้นะอพอไปอย่างนั้นมันก็ต้องเอาใจหมู่หมู่คณะเราจะไปเอาใจตัวเองตกตัวคนเดียวไม่ได้เราไปกับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์เพราะนั้นเสี่งเหล่านี้นะเห็พระใหม่ทั้งหลาย ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละให้ฟังให้ดูหัวหน้าแล้วก็พาไปคาวะไปปีนี้เป็นสองวัดปีก่อนๆเราไปหลวงปู่บุญมียหลวงปู่ต่างๆแต่ปีนี้เราไปเพียงใกล้ๆนี่ก่อนเพราะครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วห่างเหินห่างหายไปแล้วอันนี้คือกราบคาวะนะจัดเนื้อหาเสร็จก็เตรียมพร้อมนะ แต่ว่าพวกเราอกลัวจะหิวน้ำขนาดนั้นนะเตรียมน้ําใส่อย่างไปโดยสักขวดกว็ได้น้ําของเราก็มีอยู่แล้วนะมีอะไรก็ค่อยกลับมาฉันที่วัดก็ได้แต่ตามไม่จริงพอไปถึงที่นูน่นท่านก็มีน้ําให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าตามไม่จริงก็ท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็ทันหันเพื่อไม่ให้หนักใจท่านเราก็เอาอุปกรณ์เตรียมไปพร้อมสําหรับเรา กลับมาเราจะมาฉันมาดื่มก็ได้แต่อย่าให้มันพร่ำเพื่อเลือยหลังเกินไปพอมาถึงเงินนะฉันเป็นดึกเดืเที่ยงคืนมาไม่ได้เหมือนกันนะหลวงพ่อลงมาโดนดุอีกนะจะว่าไม่บอกมาอยู่วัดมันก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบเองเหมือนกันปล่อยปาะละเลยได้ยังไงต้องรู้จักการวางตัวพระอยู่ในกฎระเบียบ ถ้าพระไ ม, มไม่มีไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจะว่าพระได้ยังไงพระไม่มีศีล ไ, ไม่มีศีลไม่มีศีรายจารวัตรพระเลอะเลอะเถอ ะ, ะๆนะได้ไหมถูกไหมถูกต้องไหมถ้าเราเป็นคราวาัตล่ะเราน่าเคารพนับถือเริ่มใสไหมพระอย่างนั้นนะเราเป็นคนตำาหนิงพระพอตัวเองเขามาบวชเป็นเชื่อเองได้เหรอ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่เจ็ดตุลาคมพุทธศักราช25งพ้าอห้าสิบแล้วก็กรถินผ้าป่าออกพรรษาของพวกเราหลวงพ่อก็ได้ย้ําเมื่อวานก็บอกว่าวันที่สิบหกนะลูกหลานวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยวันที่สิบหกวันเป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันที่ยี่สามเป็นวันกรถินวัดของเรา อันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้ครับพวกเราต่อๆกันป้ายบอกก็มีแล้วละ่ะถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่บอกก็เหมือนหลวงพ่อเนี่ยคับแคบถ้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเขาเหมือนกับหลวงพ่อบอกในในไกลไกลลวดเลียอะไรทั้งสองอย่างไม่ใช่ทั้งนั้นละ่ะเป็นการบอกกล่าวเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทควรจะมีมีอะไรในวัดแต่ละวัด ก็ควรจะบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะนี่แหละพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตัดตรัสเอาไว้ว่ า, นะ เ, าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นาศาสตาของพวกเธอท่านทั้งหลายธรรมและวินัย จะเป็นศาสดาท่านไม่ได้มอบให้พรโมกคราสาริบุตรกัจปาอา น, นุนท่านไ ม, นม่ได้มอบให้ผู้ใดองค์ใดอย่างที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระหันทั้งหมดท่านก็ไม่ได้มอบให้ท่านบอกว่าธรรมและวินยัยธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าวิวนัยคือกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้แล้วนั้นจะเป็นศาสตาของพวกเธอท่านทั้งหลายนี่แหละ เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วจะเอาอะไราหนอยึดประวัติหลักธรรมไว้ไหนนั่นแหละจะเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงให้กรให้ระลึกถึงสังเวนิยสถานสี่อย่างสี่แห่งที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่ตรรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมมาจากโปรดปัญจวัคี ของพระพุทธเจ้าที่ปร ะ, ปร ะ, ประกาศทมครั้งแรกนะให้กับ พ, พระสงฆ์ปัญจวัคคีที่เมืองพรารณสีข้อที่หก็คือตรงที่ข้อที่สก็คือที่ตรงที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็คือให้พวกพทธบริษัทไปลํำลึกถึงในสังเวนิยัตฐานสีแห่ง ประสูตรคือเกิดที่เกิดของพระพุทธเจ้าตัจรู้คือได้ตัจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวียาณของพระพุทธเจ้าแล้วก็สถานที่ประกาศพระธรรมให้พุทธบริษัทสีคือพระัญญาโกณทัญญะประกาศธรรมเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่ปรินิพานคือที่ตายของพระพุทธเจ้า อันนี้คือเป็นสถานที่ลําลึกถึงพระพุธทธเจ้านะแต่เมื่อพระพุธทธเจ้าของเราได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพระองค์จำพรรษาที่ไหนมากก็อยู่ที่ในเมื่อได้ตัดรู้แล้วนะพระองค์ก็ไปนะ อ, อ, อยู่ที่วัดป่าเวรุวันกรุงราชาคฤห์แล้วก็ได ประกาศกดรัฐธรรมนูญปกครองสงอยู่ที่นั่นอยู่ที่กรุงรัตคือวัดป่าเวทุวันพระสงฆ์พันสองรูปมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะพระองค์ก็ได้ประกาศเรื่องพระวินยัยกบ ป, ปกครองสงแต่หัวใจในการกล่าวในคราวนั้นครั้งนั้น พระพระองค์บอกว่าสัพปปาปัตสักการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุรลสูประสมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจตะปริโยน์ปานังทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหมดจดจากกิเลสหนึ่งเอตังพุทธานะสาสนังนี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านอันนี้คือเป็นจุดที่เป็นประวัติศาสตร์ ของพระพุทธเจ้าที่ว่าเดิมวางหลักพระธรรมวินัยที่กรุงราชคฤห์ที่วัดป่าเวลวนจากนั้นพระองค์ก็ได้จำภาษาในสถานที่ต่างๆมากมายแต่จำัาษามากที่สุดก็คือกรุงสาวัตถีที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่อาณาถาบดิกาเศรษฐีสร้างขึ้นมา พระองจำพรรษาทังยี่สกว่าปีที่แห่งเดียวกันแห่งนี้ติดต่อกันหลายๆปีก็มีเว้นวักไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับมาแต่จำพรรษาสรุปแล้วก็คือยี่สิบกว่าปีที่กรุงพารณสีที่กรุงสาวัตถีแต่ถึงยังไงก็ตามตอนที่จะปรินิพานพระองค์ก็น่าจะปรินิพานอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะพระองค์ก่อนเนี่ยประกาศพระศาสนา ไปในสถานที่ต่างๆโค้งสุดท้ายเนยเมืองเวสาลีบังกุงราชคื อ, อ, อแทบๆนั่นน่ยผลได้ดูขนาดอายุแปดสิบปีดูซิอายุแปดิปีขนาดหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบขนาดนี้หลวงพ่อก็ยังอายุเจ็ดสิบสองปีนี่นะหลวงพ่อเดินไปหลวงพ่อยังพระพุทธเจ้าอายุแปดสิบปีเดินเผยแผ่ธรรมะในยุคสมัยนั้น จนถึงวันสุดท้ายกับไปฉันอาหารที่บ้านนายจุนทะกรมานบุตรอาหารเป็นเพชรเอกจากนั้นพระองค์เดินสัดเซพนเจนจรไปจนถึงแม่น้ำกุกุกุทานทีปูผ้าลงอนอน์เราตถาคตจะพักผ่อน ผ้าสังคาติให้เป็นสีชั้นน่ไม่มีเสือมีหมอนนะลูกหลานเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเห็นไหมสันโดษขนาดนั้นละ่ะพอป้าปูผ้าสังคาติให้เป็นสีชั้นพระองค์เข้าไปเขาขึ้นไปนอนประทับนอนอานนท์ไปเอาน้ํามาไปเอาน้ํามาดื่มไปอานนท์ก็ไม่มีขันน้ําอีกต่างหากไม่มีกาน้ําอีกต่างหากใช้บาตร เอาใช้บาทบาทไปว่าใส่ทั้งบริขารใส่ทั้งอะไรด้วยเอาบาทไปพระนนท์เดินไปไปเห็นแม่น้ำขุนกลักเลยพกเวียนเขาผ่านไปทั้งบนผ่านไปข้างบนตั้งห้าร้อยเร่ม น, ะน้ำของขุนเสิพระนน์ไปเห็นโอ้ อ, อ, อ่อนอกอ่อนใจจะตักน้ำมาถวายพระพุทธเจ้าให้ฉันไนดะ้ยังไงน้ำขุนเดินกลับมาแบบคอตกเนงั้น แต่มนุษย์จะทํำยังไงพอมาถึงเป็นไงอานนท์โอ้น้ำขุนมากพระเจ้าค่ะไม่ควรจะดื่มเลยดื่มไม่ได้แล้วนะ้ํามันขุนเกวียนผ่านไปทั้งห้าร้อยเอาเถอะอานนท์เราหิวก็หายไปเอามาเถอะตักมาเถอะพระอานนท์กลับไปอีกทีนี่นี่ดูสิพวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าพระอานนท์คิดยังไงไปตักน้ําขุนขุนมาให้พระพุทธเจ้าที่รักเคารพ สุดหัวอก ห, หัวใจให้พระ อ, องค์ดื่มอจากนั้นพาน์อนก็เดินกลับไปไปท่านกับเวียงคล้ายๆว่าเอาบาตเอาน้ำกวาดกวาดเพื่อไม่ให้ขยะมูลฝอยที่มันมากับน้ําให้เป็นว่า น, น้ําสะอาดมาออจากนั้นท่านก็เอาบาตรลงไปตักตักน้ําขึ้นมาพอตักขึ้นมาเท่านั้นแหละน้ําที่ขุ่นๆกับ สาเป็นพรันกับพรันไสายเกี่วก็เลยขึ้นมาในทันตาเห็นพระนอนพระนอนุมองเห็นโอ้อันนี้เป็นบุญของพระพุทธเจ้าทแท้ๆอนุภาพพระพุทธเจ้าทแท้ๆหนอนะบุญควรจะสั่งสมหนอนะนี่แหละบุญอกับนําทําน้ําคุณคุให้กับสาแบบเสียพรันในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะ พระ อ, อนลเดินมาด้วยทั้งชมในพระบรมีของพระพุทธเจ้าด้วยบุญควรสั่งสมควรสร้างหนอ่อจะเดินมาก็ได้กราบทุนพระ โ, โอ้คา อ, องค์ไปเห็นน้ําขุนแต่พอตักขึ้นมาแล้วน้ํากลับใสพลันเอเดี๋ยวนั้นเลยพระเจ้าข่านะพระ อ, องค์รู้พระ อ, องค์ก็ดื่มดื่มน้ำํำเสร็จแล้วก่อนนะ เอาเดินทางต่อนะนี่ะจากนั้นก็ไปถึงกรุงไปถึงเมืองอที่พระองค์จะรินิพพานนะ เ, เพราะไปถึง้เราเอาอานนนปูอาจนะปูดผ้าสังขาติลงเราจะนอนในระหว่างต้นหลังทั้งคู่นะเมืองกุจินาลานะที่มันลักษย์ จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้พักผ่อนนอนที่นั่นเนี่ยจากนั้นก็ได้ทำการบริเนปานพระ อ, องค์ก็สั่งเสีย อ, อะไรหลายอย่างแต่เมื่อพระ อ, องค์แต่หลวงพ่อเคยพูดให้ลูกหลานได้ฟังในจุดนี้นะแต่หลวงพ่อจะเล่าเกี่ยวกับการเป็นมาของพุทธศาสนาในเมื่อเมื่อถวายพระเพิมพระ อ, องค์แล้วนะพระสงฆ์ก็แตกแยกย้ายกัน ไปคนละแห่งขนส่วนพระอานนท์ที่เป็นพระอุปถักต์ก็ได้บริขารของพระพุทธเจ้าบริขารแปดพระพุทธเจ้าเออเราจะเอาไปไว้ที่ไหนพระอานนท์ก็ล้ำลึกถึงพระพุทธองค์ประทรับที่กรุงสาวัตถีมากที่สุด20สบกว่าปีควรจะเอาบริขารมาไว้ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยแต่พระองค์พระอานนท์ก็ไม่ได้คิดถึงกรุงกบิลพัทนะ ไม่ได้คิดถึงกรุงราชตะคืนะคิดถึงกรุงสาวัตถีจะเอาบริขารมาผู้ติดตามพระอา น, นุ์ก็มีแต่ไม่รู้มากน้อยแค่ไหนของจะเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรที่เป็นบริวารของพระอา น, นุนจากนั้นท่านก็นเดินมาผ่านหัวเมืองใหญ่หัวเมืองเล็กชนนบทมาเรื่อยๆพอมาถึงเมืองไหนเขาก็ออกไปต้อนรับ ว่าพระอนุนจะเสด็จมาอย่างพวกเราอยู่ที่นายูงเน่ะแถวบ้านผือเขาได้ยินเออบ้านผือออกมาออกไปแต่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยเขาก็แสดงความคเคารพในบริขารของพระพุทธเจา้าพอเห็นพระอานุนเท่านั้นนะต่ก่อนเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอานุนแต่นี้ไม่เห็นพระพุทธเจา้าเห็นแต่พระอนุ์เดินเอาบริขารมาเออพวกพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมที่ เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าออร้องไห้ละงมไปหมดทุกหัวละแห่งออคิดถึงพระพุทธเจ้านี่แหะพนนระนว์ก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเื่อยจนมาถึงกรุงสาวัตถออีแล้วก็เอาไว้บริขารไว้ยังไงอันนี้ทางขอไม่ได้พออูดในพระไตรปิฎกแต่มันเลืกย้อนย้อนดูแล้วออแต่ละวัด วัดป่าเชตตะวันกคดีวัดป่าเวทุกวันกคดีที่วัดใหญ่ๆ ใ, ในกรุงสมัยในสมัยนั้นใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่มีไม่ไม่ชัดเจนอีกเหมือนกันไม่มีเจ้าอาวาสกอว่าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเพี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มีใครปักกลักเป็นเจ้าอาวาสอยู่อยู่อยู่ที่นั่นนะ แต่พระ เ, เจ้าเจ้าเมืองของกรุงสาวัตถีพระเจ้าปเสณทิโกศลก็สวรรคตรก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินินธิพานแต่พระเจ้าอาซาศรูที่เป็นเจ้าเมืองของกรุงของออกรุงราชคฤหนะ์อันนั้น สวันคตทีหลังถูกคนฆ่าเหมือนกันถูกถูกสำเร็จโทษคืออตายเพราะลูกชายโป่งพชนเหมือนกันเพราะนั้นสมัยยุคสมัยนั้นถ้าพิจ า, าราณาดูแล้วนะครับออสารวจนวุ่นวายพอสมควรเหมือนกันชกกระหุกพอสมควรในหลักของพุทธศาสนาแต่พตระองค์ก็บอกว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้ว ทำและวิในนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายพวกคมมองมองดูละโองค์มอ ง, มอ ง, มอ ง, มองเห็นการไกลถ้าหากว่าพวกเธอท่านหลายยึดภาษาพวกองนั้นให้ไปยึดอยู่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหาร น, นะราชคือนะพวกค์ก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวสมัยนั้นกับพระสงฆ์ทั้งหลายกักระจุยกระจายกันไปคนละแห่งละหน ไปประกาศพรศาสนาต่อกันกับเรื่องอัถบริขารของพระพทุทธเจ้าก็ไม่มีไม่มีในพระไตรปิฎกพูดพชัดเจนแต่ท่านกน็เน้นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็คือเนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายยึด หลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนั้นนั่นแหละคือหัวใจพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรได้ตัดรู้ธรรมวันนั้นนะปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสาวกายญาณที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ธรรมในวันนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้ขยายผลเป็นพระธรรมแปดหมีม่พันพระธรรมมะขัน คือศีลสมาธิปัญญาในมรแปดนั้นอยากนั้นก็นมาขยายผลอีกที่พวกเราควรจะปุ๊บประพฤติธปฏิบัตินั้นคืออะไรเออก็อนเนี่ยสำหรับฆราวาสญาณโจรคือเป็นผู้ทําบุ่นทำทานเนอะร์จะตั้งอยู่ในความประมาทราคารักษาศีลนอนระ์รักษากายวายจาให้เรียบร้อยนะเนอร์เลิกเรื่องสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงเนอะรแล้วกัพิจารณาการกรอง ด้วยปัญญาเน้ออย่าหลงไหลในโลกวัตะสงสารเน้อมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนะ้อชีวิตหาความมั่นคงไม่ได้เออให้ดูให้มองดูชีวิตของเราเกิดแก่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีอะไรที่เป็นจิรังถาวรให้หาที่พึ่งอันเกษมคือบุญกุศลแล้วจากนั้นก็ชำระใจ ให้บริสุทธิ์อย่าว่าสัพปปาปัสสะาการะนังการไม่ทำการไม่ทําบาปทั้งปวงหน่งไม่ทําบาปทั้งปวงครอบนีถ้าว่ายานี่ก็คือยาครอบจักรวาล น, นะคล้าว่าเป็นยาที่วางลงไปนเนี่ยแปลว่าครอบไปเลยสัพปปาปัสสะาการะนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งคิดไปในทางบาป ทำไปในทางบาปพูดไปในทางบาปอย่าทำ อ, อย่าบอกจับปะปาปัจจักะระนังกุศลสู้ประซัมประดาสิ่งไหนที่เป็นกุศลให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งที่เป็นกุศลอย่าเบียดเปลียนตนและผู้อื้อนให้เคารพบิดามารดาครูปรชาช์อาจารย์ไหวจรวดคุณวุฒิให้รู้จักกุศลสูประซัมประดาสิ่งไหนที่มันดีรู้ไม่ดี สิ่งนี้นที่มันชั่วรู้ไม่ชั่วนะชั่วนะก็คือสัพ ป, ปะ ป, ปัสสะอัออาการะนังดีก็คือกุสลัสสุปัสัมปดาเนะี่ยสัจจิตะประโยชน์ปานังถึงจะดีกับชั่วก็ตามถ้าดีมันยังไปติดในดีอีกถ้าชั่วมันยังว่านะในชั่วก็ติดในชั่วดีก็ติดในดีอีกชำระทั้งสองอย่างไม่ให้ติดดีไม่ให้ติดชั่วอีก กุสารสูผสัมประดาห์แล้วก็เอตังพุทธานและสาสนังนี่แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คื อ, คอหลักทำคําสอนที่ย่นย่ อ, เ, อเข้ามาสู่ใจของพวกเราเนี่ยแหละหพวกเรานึกดูสิว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจะขยายผลให้กว้างขวางก็ได้เอาขนาดกลางก็ได้ เอาให้ย่นย่อนหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้ไม่ต้องรักษาอย่างอื่นให้รักษาใจก็พอถ้ารักษาศีลมันยากแต่รักษาใจของเราเนี่ยอย่าไปคิดในทางที่มันชั่วอย่าไปทำในสั่งที่มันชั่วอย่าไปพูดในทางที่มันชั่วรักษาเดียวพอแล้วคาว่าทำใจให้เน่งสบายให้ยุนให มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดทั้งวีทั้งวันนั่นแหละเลิศประเสริฐไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรักษาอย่างอื่นมันรักษารักษายากรักษาอย่างอื่นรักษาศีลรักษาธรรมอย่างอื่นมันรักรักษายากให้รักษาใจอย่างเดียวพระพธองค์พูดตัดให้ฟังเน่ยมันง่ายนะลูกหลานนะแต่รักษาใจนะโหอมันยิ่งกว่าลิงอีกอยู่ในจิตใจของเราลูกเล็กยิ่งกว่าอะไรอีกแต่ถึงยังไงก็ตาม ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะไม่เหลือวิสัยเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาในในแนวหนึ่งนะเอาต่อในไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร น, น, นั่นเนะ